ร่างกายของพวกเราที่พวกเรามาได้กันตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้เป็นร่างกายที่พาเราไปไหนมาไหนเหมือนกับเรือหรือเหมือนกับเครื่องบินที่พาเราไปไหนมาไหนกัน แต่เรือหรือเครื่องบินที่เราใช้อยู่นียสักวันหนึ่งมันจะต้องจมมันจะต้องตกเนะี่ยร่างกายของเราสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายเวลามันตายก็เป็นเหมือนเครื่องบินเสียเนะี่ยเครื่องบินเสียกลางอากาศกลางท้องฟ้าทำยังไงมันก็ตกเนะีคนที่อยู่ในเครื่อง ถ้าไม่รู้จักใช้ล่มชูชีพถ้าไม่มีล่มชูชีพก็ต้องตกไปกับเครื่องบินหรือเรื อ, รอถ้าเรือจมถ้าไม่รู้จักใช้ชูชีพใช้เรือชูชีพถ้าเป็นเรือใหญ่เขาก็จะมีเรือเล็กถ้าไม่ใช้ไม่เป็นก็ต้องจมลงไปกับ เรือใหญ่เราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นใจเป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาอาศัยร่างกายเหมือนอาศัยเรือพาเราไปตามสถานที่ต่างๆที่เราอยากจะไปกัน แต่ร่างกายเดี๋ยววันดีขึ้นดีมันก็จะตายขึ้นมาถ้าเราเตรียมตัวไว้ก่อนหาชิวชีพไว้ก่อนเวลาเรือจมเราก็ใส่ชิวชีพแล้วก็ไม่ต้องจมไปกับเรือหรือถ้าเป็นเครื่องบินก็มีร่มชูชีพไอ้หัดใช้ร่มชูชีพ พอเครื่องบินจะตกแล้วก็กระโดดออกจากเครื่องอาศัยร่มชูชีพเราก็จะไม่ตกลงมากระแทกกับพื้นเนี่ยคือเรื่องของเราปัญหาของเราที่เราไม่คิดกันไม่รู้กันว่าเป็นปัญหาที่เราแก้ได้ป้องกันได้คือเรา สามารถที่จะป้องกันใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนกับความตายได้หรือกับความแก่หรือกับความเจ็บถ้าเรามีร่มชูชีพหรือมีชูชีพไว้มาคอยรองรับเวลาที่ร่างกายของเรา มันไม่สามารถาเป็นที่พึ่งของเราได้พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาหาที่พึ่งอันใหม่กันมาสร้างที่พึ่งอันใหม่ไว้รองรับเวลาที่เราไม่สามารถพึ่งพาร่างกายได้ทุกวันนี้เราใช้ร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขกันเราอยากจะมีความสุขเราก็หาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายไปดูอะไรดูแล้วก็เกิดความเพลิดเพลินเกิดความสุขไปฟังอะไรฟังแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาไปลิ้มรส ด, ดมกลิน่นไปสัมผัส สิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายเราก็เกิดความสุขกันขึ้นมาคนที่อยู่เมืองร้อนอยากจะไปสัมผัสกับอากาศหนาวเนี่ยนะก็เดินทางไปต่างประเทศแต่เดี๋ยวนี้ก็มีอากาศหนาวเทียมอยู่ในประเทศร้อนห้องปรับอากาศห้องห้องห้องหิมะ อย่างนี่ในทะเลทรายประเทศตะวันออกกลางนี่ได้ข่าวว่าเขาก็มีสถานที่ที่คนสา ม, มารถไปเล่นส ก, กีได้เขาก็มีเครื่องทำความเย็นเครื่องทำผิมะนี่ก็เป็นการสัมผัสความรู้สึกผ่านทางร่างกายอากาศเย็นอากาศร้อนโลกที่อยู่เมืองหนาวเหมือนอยู่อยู่ในตู้เย็น ก็มาเมืองไทยมาเมืองร้อนมาแล้วก็นอนแก้ผ้าอยู่ชายทะเลนี่ก็นี่ก็หาความสุขผ่านทางร่างกายเหมือนกันก็เรียกผดทัพะนี่คือผดทัพะอะไรที่เราสัมผัส ด, ด้วยร่างกายเรียกว่าผดทัพะก็คือความเย็นความร้อนด้วยความนุ่มความแข็ง บางทีเราก็อยากจะจับของนุ่มๆบางทีก็อยากจะจับของแข็งๆอันนี้พอได้จับแล้วก็มเกิดความสุขขึ้นมาได้สัมผัสแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาอันนี้เรียกว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายทีนี้ปัญหาคือเราจะไม่สามารถใช้ร่างกายไปได้ตลอด ร่างกายมันมีวันหมดอายุมีวันหมดสมรรถภาพควรใช้ร่างกายนี้ก่อนอายุหกสิบควรจะเขียนอย่างนี้หลังจากอายุหกสิบแล้วไม่รับประกันความสุขจากร่างกายนี้เอเพราะร่างกายนี้พอเข้าหกสิบแล้วที่จะเริ่มป่วยนะเริ่มเจ็บตรงนั้นเริ่มปวดตรงนี้เอ จะใช้มันเหมือนกับตอนที่มันยังไม่หกสิบนี้มันไม่เหมือนกันละตอนตั้งแต่ยี่สิบถึงหกสิบนี่เป็นช่วงอทองของร่างกายเพรา ก, ก็ต่ำกว่ายี่สิบก็ยังไม่โตเต็มที่ยังไม่มีความสามารถที่จะใช้ร่างกายได้อย่างเต็มที่ต้องยี่สิบขึ้นไป ก่อนที่จะใช้ร่างกายก็ต้องหาสิ่งที่มาสนับสนุนร่างกายอีกต้องมีเงินทองต้องหาเงินหาทองพอมีเงินทองแล้วก็มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงทีนี้อยากจะทำอะไรก็ทำได้อยากจะไปไหนก็ไปได้อนี่คือร่างกายกับใจใจคือผู้ ใช้ร่างกายหาความสุขร่างกายเองไม่ได้เป็นผู้มีความสุขร่างกายนี้ถึงแม้จะเป็นผู้ไปสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสผดท่าผ้แต่ตัวร่างกายมันไม่มีความรับรู้เหมือนกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ถ่ายภาพอัดเสียงเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันมันมันถ่ายภาพอะไร มันอัดเสียงอะไรไว้คนใช้เครื่องโทรศัพท์นั่นแหละเป็นผู้รู้ร่างกายก็เหมือนกันร่างกายมันไม่รู้หรอกว่ามันไปสัมผัสกับลูกเสียงกลิธธ่นรสผดทะพะที่ดีบ้างไม่ดีบ้างผู้ที่รู้คือใจเพราะใจนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าดีแล้วไม่ดีเองใจนี่ มีเครื่องมืออยู่สี่สี่สี่ชิ้นด้วยกันที่ทำหน้าที่ป้อนความสุขป้อนความทุกข์ให้แก่ใจป้อนข้อมูลต่างๆให้แก่ใจที่รับมาผ่านทางร่างกายนะเช่นตาพอเห็นภาพเห็นรูปนะเห็นภาพของคนนู้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ใจก็มารับภาพนั้นไปส่งลูกน้องมามารับภาพนั้นลูกน้องนี่เราเรียกว่าวิญญาณนวิญญาณในขันห้าเนี่ยขันห้ามีอะไรบ้างก็เนี่ยร่างกายก็เป็นขันหนึ่งวิญญาณก็เป็นอีกขันหนึ่งสัญญาสังขารเวทนาก็เป็นอีกสามขันอ วิญญาณเป็นผู้รับรู้นะเป็นผู้รับเป็นผู้รับข้อมูลดีกว่าอย่าไปว่าพูดเป็นผู้รับรู้เป็นผู้รับข้อมูลที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายรับรูปเข้ามาแล้วเป็นเหมือนเมสเซนเจอร์เป็นผู้รับเป็นผู้เหมือนบรรลุบรรลุไปสี่พอมีใครส่งข้อมูลเข้ามาทางตาวิญญาณทางตา ที่เรียกว่าจักขุวิญญาณเอก็รับลูกนั้นส่งมาให้แก่ใจพอส่งมาให้กับใจใจก็มีลูกน้องคนที่สองมารับหน้าที่ต่อมาแปลความหมายของรูปที่เห็นว่าเป็นรูปอะไรเพราะว่าถ้าไม่เคยเห็นก็จะไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไร ถ้าเคยเห็นก็จะมีความจำบันทึกเอาไว้เ<ม>ช่นถ้าเคยเห็นคนนี้มาก่อน<ม>รู้ว่าเขาชื่อนั้นชื่อนี้<ม>ความจำก็จะบันทึกไว้ในใจพอเห็นรูปอันเดิ ม, มเห็นคนเดิมที่เคยเห็น<ม>ก็จะรู้ทันทีว่าเป็นใคร<ม><ม>พอรู้แล้วก็มีผู้ที่มาสร้างการรับรู้ของ ของของความจําก็คือความรู้สึกฮนเพราะเรามีความรู้สึกกับรูปนี้อย่างไรในอดีตมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าเรามีความรู้สึกสุขกับรูปนี้ความสุขมันก็จะโผล่ขึ้นมาะถ้าเรามีความรู้สึกทุกข์กับรูปนี้ฮะความทุกข์มันก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วพอมันเกิดความรู้สึกขึ้นมา มันก็เกิดปฏิกิริยาต่อความรู้สึกนั้นมันก็คิดว่าจะทํำยังไงดีใช้ความคิดเอพอเราเห็นของที่เราชอบเราก็คิดทันทีว่าทํำยังไงดีซื้อดีไม่ดีเอช่นเราเดินไปช้อปปิ้งตามร้านเห็นของบางของบางอย่างเห็นแล้วก็เฉยๆของบางอย่างเห็นแล้วก็เออไม่เอาไม่สนใจของบางอย่างเห็นแล้วก็ชอบขึ้นมา พอชอบเกิดความสุขขึ้นมาก็อยากได้เกิดตันหาความอยากเกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาอยากจะได้สิ่งนี้ก็สั่งความคิดก็จะสั่งให้ร่างกายควา้ากระเป๋าเอาเงินจ่ายให้เขาซะจะได้สิ่งนี้มาพอได้มาก็ดีใจมีความสุขเห็นก็ดีใจแล้วแต่พอได้มาเป็นของ ของเรายิ่งดีใจใหญ่เพราะมันจะได้มีความสุขไปนานๆถ้าเห็นที่ร้านเห็นเดี๋ยวเดียวมันสุขเดี๋ยวเดียวแล้วพอไม่ได้ความสุขนั้นหายไปก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมาเสียดายเสียใจขึ้นม า, น, า น, นี่แหละคือใจเนะี่ยใจทำเป็นผู้มีอาการต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่มีอาการเหล่านี้ ไม่มีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสพลทพะเหมือนกับโทรศัพท์มือถือนี่ไม่รู้ว่าเรากำลังดูอะไรก็เรากำลังฟังอะไรมันมีแต่ทำหน้าที่ตามคาสั่งของเราเราสั่งให้มันถ่ายรูปมันก็ถ่ายรูปเราสั่งให้มันอัดภาพมันก็อัดภาพเราสั่งให้มันส่งสัญญาณไปหาคนนั้นคนนี้ไปคุยกับคนนั้นคนนี้มันก็ทำหน้าที่ของมันไปเท่านั้นเอง โทรศัพท์มือถือกับคนใช้มือถือเป็นคนละคนกันใจกับร่างกายก็เป็นคนละคนกันเยเราต้องทำความเข้าใจนี้ให้ได้แล้วเราจะได้ไม่หลงไปยึดไปติดกับร่างกายแล้วก็ไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเพราะความหลงอันนี้มันมันอันตรายต่อจิตใจมันจะสร้างความทุกข์อย่าง อย่างสาหัสเนี่ยสาอย่างหนักอย่างหนาพอเราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วเดี๋ยวร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนี่เราจะกลัวมากเราจะทุกข์มากเพราะเราไม่อยากแก่กันนะเราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายกันนะแต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายเป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือนี่เราทุกข์กับโทรศัพท์มากไหม ถึงแม้จะทุกข์ก็ไม่ทุกข์ถึงขนาดที่จ ะ, ะกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกับมันนะถ้ามือถือมันพังก็อย่างมากก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเห็นร่างกายว่าเป็นเหมือนเครื่องมือโทรศัพท์มือถือนี้เราจะอยู่อย่างสบายอันนี้หละคือความจริงที่พวกเราไม่รู้กันมีพระพุทธเจ้า เป็นผู้รู้พุทธะเป็นผู้รู้รู้ความจริงเกี่ยวกับขันห้านี่แหละขันห้านี้มีสองส่วนขันหนึ่งคือรูปนี้รูปคือร่างกายส่วนอีกสี่ขันเราเรียกว่านา ม, มาขันนี้เป็นใจเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นใจเวทนาก็คือความรู้สึกรู้สึกสุขเป็นผู้ รู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยสัญญาเป็นผู้จำจาว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นนี่เราสัมผัส ร, รับรู้นี่เป็นอะไรดีไม่ดีมีคุณหรือไม่มีคุณมีโทษหรือไม่มีโทษนี่คือสัญญาส่วนวิญญาณก็เป็นผู้รับรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาให้กับสัญญาก่อน สัญญาก็มาแปลความหมายเหมือนกับเราได้ยินเสียงภาษาที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจพ่าเราไม่เคยเรียนภาษานี้มาก่อนเสียงนี้มาก่อนพอใครเขาด่าเราภาษานี้เราก็เฉยใครเขาชมเราเราก็เฉยเพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราไปเรียนภาษานี้หรือมีคนมาแปลาภาษานี้ให้เราฟังอีกทีนึงพอรู้ว่าเขาด่าเราขึ้นมานี้ ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีร้อนขึ้นมาพอเขาชมเราก็ดีใจขึ้นมาอันนี้คือหน้าที่ของสัญญาสัญญาก็บางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้ความหมายเพราะว่าอยู่ที่เคยได้รับการการสั่งสอนมาก่อนหรือไม่ตอนที่เราเป็นเด็กๆ เ, เราเกิดมาใหม่ๆเราก็ไม่สัญญาเราไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็มีพ่อแม่เนี่ยคอยสอนคอยบอกพอเราจะเอามือไปแตะของร้อนแม่พ่อแม่ก็บอกยา่าไม่ดีร้อนอถ้าเรายังไม่เชื่อก็ลองไปแตะดูอะพอไปแตะทีนี้รู้แล้วโอ้มันไม่ดีเอมันร้อนทําให้มือเจ็บเนี่ยมันก็จำไปแล้วครั้งต่อไปมันเห็น ไฟมันจะไม่กล้าเข้าไปแตะนะเห็นของร้อนก่อนจะแตะมันจะต้องทดลองดูก่อนอ่า จ, จะแตะแบบนิดๆให้รู้ว่าร้อนหรือไม่ร้อนก่อนนี่เป็นการทํางานของใจทั้งนั้นนะร่างกายไม่รู้เรื่องเลยร่างกายเวลาไม่มีใจนี้โยนเข้าไปในเตาไฟมันก็ไม่มันไม่รู้สึกอะไรเห็นไหมเวลาคนตายเนี่ยไม่มีใจแล้วตอนที่คนตายนี้ใจก็ ต้องแยกไปแยกออกจากร่างกายไปเพราะไม่สามารถอาศัยร่างกายทำอะไรได้ต่อไปใจนี่แหละที่เราเรียกว่าไปเกิดใหม่เพราะใจเรายังอยากมีร่างกายใหม่อยู่นั่นเองยังอยากใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ใจเราก็ แยกจากร่างกายไปร่างกายเราก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเนี่ยโทรศัพท์มือถือเราเหยียบมันทุบมันให้มันพังมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรร่างกายเราเอาไปฝังมันมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเอาไปเผามันก็ไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้แหละคือความจริงที่เราควรที่จะมาศึกษากันราทำความเข้าใจกัน ให้รู้ว่าเราเป็นใครกันแนะ่ไม่มีใครสอนเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนเท่ากับพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้ว่าเรานี่เป็นนายของร่างกายร่างกายนี้เป็นบ่าวเป็นคนรับใช้ร่างกะเป็นคนรับใช้คำสั่งของใจใจต้องรู้ความจริงอันนี้เพื่อจะได้ไม่หลง ไม่หลงไปคิดว่าเป็นร่างกายเป็นใจเป็นเราเป็นขเป็นตัวเราพอคิดแล้วมันจะต้องทุกข์เพราะเราไม่อยากแก่กันเราไม่อยากเจ็บกันเราไม่อยากตายกันแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้แก่เราไม่ได้เจ็ บ, เ ร, เ, จบเราไม่ได้ตายนี่มันสบายเยอะแยะเวลาร่างกายเจ็บก็รู้ว่าเจ็บที่ร่างกายใจไม่ได้เจ็บด้วย ใจเป็นผู้รับรู้เท่านั้นเองที่เจ็บเพราะใจไปหลงคิดว่าตอนเองเป็นร่างกายก็เลยเกิดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปความอยากให้ความเจ็บหายไปนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจเจ็บไม่ใช่ความเจ็บของร่างกายความอยากให้ร่างกายไม่แก่นี่แหละที่ทำให้ใจทุกข์กับความแก่ ไม่ใช่ความแก่ทําให้ใจทุกข์แต่ใจอยากให้ร่างกายไม่แก่อยากให้ร่างกายไม่ตายอันนี้เป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับใจถ้าเรารู้ว่าร่างกายไม่ได้เป็นเราเราก็อย่าไปอยากเลยอยากก็แก้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายมันเป็น เหตุการณ์ที่ไม่มีใครห้ามได้เหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยไม่มีใครไปห้ามได้ถึงเวลาพระอาทิตย์จะขึ้นก็ขึ้นถึงเวลาพระอาทิตย์จะตกก็ตกแต่ทําไมเราไม่ไปทุกข์กับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการขึ้นการตกของอาทิตย์นและเราก็ไม่ได้ไปอาศัยดวงอาทิตย์ ถึงเมอจะอาศัยก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่ไม่มีดวงอาทิตย์เราก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็นั่งกายเราก็เป็นเหมือนดวงอาทิตย์นี่ที่ตอนนี้เราอาศัยมันได้ใช้มันได้แต่วันหนึ่งร่างกายมันจะไม่ทำงานมันจะลาออกจากงานตอนนี้มันเป็นลูกจ้างเรา ถึงเวลามันทำงานไม่ไหวมันก็ต้องขอลาอตอนนั้นเราจะทำอย่างไรเขาท้เจ้าบอกว่าเราก็มาหัดอยู่แบบไม่มีร่างกายกัน เ, เราสามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราสามารถหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งได้ เราก็ไม่ต้องพึ่งร่างกายเพอเราไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนร่างกายจะแก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดเพราะเราสามารถมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายเสียด้วยซ้ำไป นี่ยความสุขที่พระ เ, เจ้าส่งค้นพบเนี่ยความสุขในรูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเห็นดูสิถ้าเราสามารถมีมีความสามารถติดต่อกับคนโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์มือถือได้นี่ดีไหมส่งกระแสจิตไปหากันเลยเโทรหากันใหุ้่งนี้มาหาเราหน่อยนะ เ, เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็มา ส่งกระแสจิตไปติดต่อการทางผ่านทางกระแสจิตเราก็ไม่ต้องใช้ลังไม่ต้องใช้มือถือไม่มีมือถือก็สบายไม่ต้องคอยชาร์จแบตไม่ต้องจ่ายค่าบริการค่าโทรค่าอะไรต่างๆไม่ต้องกังวลเวลามันเสียไม่ต้องกังวลเวลามันหายนี่แหละ เราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายถ้าเราสามารถหาความสุขแบบใหม่นี้ได้เราจะสบายเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเราจะไม่เดือดร้อนอ น, นี่แหละคือร่มชูชีพที่พุทธเจ้า คนท ร, ทรงคนพบร่างกายเป็นเหมือนเรือเป็นเหมือนเครื่องบินที่จะต้องตกเรือที่จะต้องจมเราเป็นผู้โดยสารนี้เราต้องเตรียมร่มชูชีพไว้ถ้าเรามีร่มชูชีพมีชูชีพถ้าเป็นเรือก็เป็นชูชีพพอเรือจมล้วก็มีชูชีพคอยประคองให้เราลอยคอยอยู่ในทะเลไม่ไม่จมเรามีแดงเราก็ว่ายน้าไปได้ ร่มชูชีพมันก็จะทำให้เราไม่ตกกระแทกพื้นจะตกลงมาอย่างปลอดภัยนี่คือร่มชูชีพที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมามาหัดใช้กันคือการมาหาความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยร่างกายอ า, อาศัยความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเอง ถ้าใจหยุดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ใจก็จะสงบมีความสุขตอนนี้สังขารเรามันความคิดปุงแต่งมันคิดอยู่ตลอดเวลาพอคิดมันก็คิดไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็เกิดความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมามันก็เลยต้องไปใช้ร่างกายพอคิดถึงพิซซ่าก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่ร้านพิซซ่า พอคิดถึงเสื้อผ้าก็ต้องไปที่ร้านเสื้อผ้าคิดถึงที่ท่องเที่ยวเดี๋ยวก็ต้องไปตามที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าเราหยุดความคิดเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องไปไหน <c oughs> พอหยุดความคิดเราก็มีความสงบขึ้นมามีความสุขขึ้นมาทันทีเป็นความสุขที่ดีกว่าได้ไปกินพิซซ่าได้ไปซื้อเสื้อผ้า ได้ไปเที่ยวตามที่ท่องเที่ยวต่างๆาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องไปไหนไม่จําเป็นจะต้องดูไม่จําเป็นจะต้องฟังไม่จําเป็นจะต้องกินไม่จําเป็นจะต้องดื่มอะไรนอกจากกินหรือดือ่มเพื่อดูแลร่างกายเท่านั้นเองแต่ไม่ได้กินหรือดื่มเพื่อหาความสุขจากการกินหรือดื่มาการกินการดื่มของเรามี them, สองรูปแบบกินดื่มด้วยความจาเป็น เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็ต้องกินต้องดืม่มแต่นอกจากกินด้วยความจําเป็นดื่มด้วยความจําเป็นแล้วเรายังไปกินดื่มด้วยความอยากเองอยากให้มีความสุขจากการกินการดืม่มนี่ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวอันตราย mm. เพราะเวลาอยากแล้วถ้าไม่ได้กินมันจะทุกข์ mm. ถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราจะไม่ทุกข์ จะหยุดความอยากได้ก็ต้องหยุดความคิดหยุดความคิดได้ความอยากหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หยุดไปพอความทุกข์หยุดไปความสุขที่มีอยู่ในใจก็โผล่ขึ้นมาแทนที่เออความความสุขใจทุกใจนี้มันสลับกันมาสลับกันไปมันไม่อยู่ที่เดียวพร้อมกันเหมือนกับแสงสว่างกับความมืดเนี่ยมันไม่มาพร้อมกันะ ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันมืดมันก็ไม่สว่างอย่างใดถ้าใจทุกข์มันก็ไม่สุขถ้าใจสุขมันก็ไม่ทุกข์เฮ้ยเรามาทําใจให้ไม่ทุกข์ก็แล้วกันะแล้วมันความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเองหยุดความทุกข์หยุดความอยากหยุดความคิดนี่เองเพราะความคิดความอยากเป็นตัวทําให้ใจทุกข์พอเราหยุดความคิดหยุดความอยากใจก็หายทุกข์ พอทุกข์หายไปสุขก็โผล่ขึ้นมาแทนที่นี่เป็นความสุขของใจเป็นอย่างนี้ความสุขของใจเกิดจากการดับของความทุกข์ของใจความทุกข์ของใจเกิดจากความอยากของใจความอยากของใจเกิดจากความคิดคิดถึงสิ่งนั้นคิดถึงสิ่งนี้แล้วก็เกิดความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกขขึ้นมา จะหายทุกเมื่อถ้าไม่มีคำสอนก็หายทุกด้วยการไปทำตามความอยากพออยากได้มือถือไปซื้อมือถือมาก็หายทุกดีใจทุกหายไปได้มือถือมาความอยากได้หายไปพอได้แล้วพอได้ของแล้วความอยากได้ของนั้นก็หายไปพอความอยากนั้นหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาแต่มันเป็นความหายของความอยากแบบชั่วคราว เดี๋ยวความอยากใหม่ตัวใหม่โผล่ขึ้นมาแทนที่พอได้มือถือแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้อย่างอื่นหนึ่งอล้อันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้เพราะว่ามันจะทำให้ความอยากไม่หมดนั่นเองวิธีที่จะแก้ก็คือเวลาเกิดความอยากต้องหยุดต้นเหตุของความอยากคือความคิดที่ไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้เราอยากได้ พอเราคิดไปในทางที่ไม่อยากได้หรือหยุดความคิดต่อไปเราก็จะไม่มีความอยากในสิ่งนั้นอแล้วสิ่งนั้นก็จะไม่กลับมาความอยากนั้นก็จะไม่กลับมาอีกต่อไปนี่คือวิธีที่เราจะ เ, าเลิกใช้ร่างกายวิธีหาความสุขแบบไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือการมาหยุดความคิดหยุดความอยาก การหยุดความคิดหยุดความอยากนี่ก็มีสองวิธีในกันวิธีชั่วคราวกับวิธีถาวรวิธีชั่วคราวนี้ง่ายกว่าวิธีถาวรวิธีถาวรนี่ยากและต้องผ่านวิธีชั่วคราวก่อนถึงจะสามารถใช้วิธีแบบถาวรได้เะฉะนั้นเราต้องเราต้องใช้วิธีแบบชั่วคราวก่อน ก็หยุดความคิดหยุดความคิดหยุดความอยากพอหยุดความคิดปั๊บความอยากก็หยุดความทุกข์ก็หยุดความสุขก็โผล่ขึ้นมาแต่พอเราไปคิดใหม่พอไปคิดปุ๊บคิดถึงเรื่องที่ทําให้อยากก็เกิดความอยากขึ้นมาความทุกข์ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความสุขก็หายไปะ อันนี้เรียกว่าวิธีของสมาธิของสติผู้ที่จะหยุดความคิดได้ก็คือสติเช่นเรากําลังคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ทํายังไงเราถึงจะไม่คิดถึงคนนั้นคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เราก็คิดเรื่องอื่นแทนไงใช่ไหมพอเรามาคิดพุทโธพุทโธพุทโธ เราก็ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอเราไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้เราก็หยุดพุทธโธได้พอมันจะคิดเราก็พุทธโธใหม่ทําอย่างนี้ไปจิตก็จะสงบหยุดความอยากหยุดความทุกข์ได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราหยุดพุทธโธเมื่อไหร่เดี๋ยว เดี๋ยวเกิดมันคิดขึ้นมาแล้วเราไม่หยุดมันเดี๋ยวก็เกิดความอยากขึ้นมาใหม่ได้คิดเรื่องเดียวกันนะเช่นเรื่องขนมเนี่ยถ้าอยากกินขนมเราก็พูดโทพูดโทไปพอพูดโทรไปสักพักก็ลืมเรื่องขนมไปความอยากกินขนมก็หายไปอันนี้ก็เป็นการหยุดชั่วคราวพอความอยากขนมหายไปความสุขก็เกิดขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องกินขนม แต่ถ้าเดี๋ยวเรากลับไปคิดถึงขนมความอยากกินขนมก็โผล่ขึ้นมาใหม่สติไม่สามารถทำให้เราหยุดคิดถึงขนมได้เพียงแต่หยุดเวลามันคิดแล้วหยุดมันได้แต่ถ้าไม่ให้มันไปคิดถึงขนมไม่ได้เดี๋ยวถ้าเราปล่อยสติไม่ไปปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็ไปคิดถึงขนมอีกอันนี้เราจึงเราเราจึงหยุดได้ชั่วคราวด้วยสติ สติหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้แต่ห้ามมันให้คิดไม่ได้สั er ets, ่งมันสอนมันไม่ได้สติไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะสอนให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงขนมมีปัญญานี่แหละที่จะสามารถสอนให้ใจไม่ให้ไปคิดถึงขนมได้ปัญญานิฉลาดปัญญามีวิธีสอนใจไม่ให้ไปคิดถึงขนม เวลาคิดถ so, so, ึงขนมให้ค like ิดอย่างไรถึงไม่อยากจะคิดถึงขนมก็คิดถึงขนมตอนที่มันอยู่ในปากตอนที่มันอยู่ในท้องตอนที่มันถ่ายออกมาอันนี้ก็เป็นขนมทั้งนั้นพอเห็นขนมตอนที่มันอยู่ในปากก็ไม่อยากกินแล้วะหรืออยู่ในท้องอาเจียนออกมาก็ไม่อยากจะกินนะกินแม้เวลาเอาขนมที่เราอยากกินนี่ใส่ไปในท้องแล้วก็ให้มันอาเจียนออกมาก่อน แล้วก็เอากลับเข้าไปในท้องใหม่ไม่ยอมเอาแล้วหรือเวลามันถ่ายออกมานี้เอาให้เอากลับเข้าไปในท้องใหม่มันจะเอาไหมไม่เอาแล้วนี่แหละคือปัญญาที่ไม่มีใครรู้นอกจากพระพุทธเจ้าเราต้องสอนใจให้มองมุมกลับอย่าไปมองมุมมุมเดียว มันมีทั้งอินพุและเอาพุตกันอย่างนี้เหมือนเหมือนเครื่องคอมเนี่ยมีทั้งอินพุต u t าพุเนี่ยของต่างๆที่เข้านั่งกายมันก็ต้องมีออกมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวมันก็ต้องออกไปถ้าเราเห็นตอนที่มันออกแล้วเราก็จะไม่อยากได้มันไม่อยากกินมันแล้วรับรองได้ต่อไปจะไม่คิดถึงขนมเลยคิดทีไรมันก็จะคิดถึงตอนที่มันออกมา แล้วมันจะไม่หิวขนมอีกต่อไปแต่กินได้ถึงเวลากินก็กินแต่ไม่ได้กินด้วยความอยากกินนะกินเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลี้ยงร่างกายก็กินมันไปกินได้พระอรหันยังกินนะกินขนมได้กินอะไรได้อยู่แต่ถ้าถ้ายังไม่ถึงเวลากินท่านไม่กินถ้าไม่หิวไม่อยากกินแต่ถ้าถึงเวลากินท่านก็กินเหมือนกับคนที่อยากกิน ไปดูผ้าหลารไม่ออกบางทีว่าทำไมผ้าหานยังกินยังกินขนมยังกินพิซซ่าอยูอ่ก็เพราะว่าท่านไม่ได้กินด้วยความอยากท่านกินเพื่อต่อเลี้ยงร่างกายไป อ, อันนี้อันนี้คือวิธีที่สองที่จะทำให้จิตเราหายอยากอย่างท้าวรเมื่อความอยากหายไปอย่างท้าวรความทุกข์ก็จะหายไปอย่างทาวอน มันก็มีเป็นเรื่องๆไปเรื่องอาหารก็ต้องใช้วิธีแบบนี้เรื่องเรื่องแฟนก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งใช้วิธีของอาหารไม่ได้แต่ก็เหมือนกันมองมุมกลับเหมือนกันเวลาเราเห็นแฟนเราจะเห็นเขาสวยใช่ไหมเห็นเขาหล่อใช่ไอมก็มองตอนที่เขาไม่สวยไม่หล่อบ้างสิเขาก็มีเวลาที่เขาไม่สวยไม่หลอ่อนึกถึงเวลาเขานอนตายบ้างเเออ ถ้าแฟนเราตายนี่เรายังจะเก็บแฟนไว้อยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่เก็บนะใช่ไหมยกให้สับปเปิ่นเลยไปอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ความอยากมีแฟนอย่างท้าวอนทุกครั้งที่อยากจะมีแฟนคิดถึงแฟนตอนที่เป็นซากศพก็ได้หรือคิดถึงตอนที่ศพเน่าเปื่อยก็ได้ คิถึงตอนที่เหลือแต่โครงกระดูกก็ได้ศพนี่ถ้าปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆมันก็จะเน่าเปื่อยแล้วก็ผุไปเรื่อยๆจะเหลือส่วนที่แข็งนี่ก็คือกระดูกโครงกระดูกอันนี้ก็คือวิธีใช้ปัญญามากำจัดความอยากมีแฟนอย่างถาวรถ้าเราลึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายได้ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เราเห็นนางกายที่สวยที่หล่อนี่เราจะพลิกมันกลับทันทีเลยมันสวยมันหล่อจริงหรือเปล่าไหนดูโครงกระดูกมันท่นหน่อยนี่ออันนี้ปั๊บเดี๋ยวมันก็เออหายหลงหายอยากแต่จะทําอย่างนี้ได้ต้องมีสติกําลังมากก่อนต้องมีสติที่จะสั่งให้ใจคิดไปในทางนี้ให้ได้ะ เพราะใจมันถูกอำนาจของกิเลสสั่งไม่ให้คิดไปในทางนี้ใจไม่ชอบดูของไม่สวยไม่งามจะบังคับให้ใจเห็นของสวยของงามได้ใจต้องมีสติหยุดความอยากดูของสวยงามก่อนต้องมีสมาธิก่อนต้องมีอุเบกขาก่อนนี่คือทำไมเราจึงต้องทำสมาธิกันก่อน ถึงจะไปทางปัญญาได้ถึงจะไปทางวิปัสสนาได้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีกำลังที่จะดึงใจให้ไปดูของที่ไม่น่าดูเพราะกิเลสความหลงความอยากมันจะคอยกั้นไว้ไม่ให้ไปหรือถ้าดูมันก็ดูแป๊บเดียวแล้วก็ลืมดูท่าหน่อยดูอุภาสักปป๊บหนึ่งคิดของมันสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลืมไปละเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องอื่นแทน มันต้องคิดอยู่ตลอดเวลาคิดจนมันจำได้คิดแบบสูตรคูเนี่ต้องคิดแบบสูตรคูณจนมันจำได้พอต้องการใช้สูตรคูณเมื่อไหร่มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เหมือนกันเวลาอยากจะกินอาหารก็ต้องคิดถึงอาหารที่มันไม่น่ากินทันทีถ้าคิดทันปั๊บมันก็หยุดความอยากกินได้ถ้าคิดไม่ทันมันก็เข้าปากไปแล้ว อันนี้คือเรื่องของปัญญาถ้าอยากจะกาจัดอย่างท้าวรต้องใช้ปัญญาต้องมองในมุมกลับนี่เรามองสองเรื่องเรื่องอาหารกับเรื่องคนเรื่องแฟนเราส่วนเรื่องอื่นๆนี้เราก็มองมุมกลับเรื่องอื่นๆนี้เราจะมองอะไรเราเห็นอะไรเราจะคิดว่ามันดีใช่ไหม ได้มาแล้วจะดีจะรับใช้เราจะให้ความสุขกับเราใช่ไหมอยากได้ทีวีโอมีทีวีแล้วดีได้ดูทีวีแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินอยากได้มือถือมีแล้วมีความสุขมีความเพลิดเพลินเราก็ต้องมองมุมกลับมามันมีความสุขมันก็มีความทุกข์ด้วยเอดเวลามันเสียขึ้นมาดีไหมละ่ะ ของที่เคยให้เราความสุขกับเราเวลามันไม่เสียเวลามันเสียนี้มันให้ความสุขกับเราได้หรือเปล่าหรือเวลามันหายไปะซื้อมาแล้วใช้มันสักพักเดี๋ยวเผลอไปวางไว้ที่ไหนลืมหายไปหรือขโมยขึ้นบ้านมาขโมยของไปไฟไหม้บ้านเอหรือมีอุบัติภยัยทําให้เข้าของเสียหายะ ตอนนั้นความสุ ข, ขายไปไหมอะไรโผล่ขึ้นมาแทนความทุกข์นะเราต้องมองมุมกับทุกอย่างที่เราคิดว่าดีนี่ ม, นมันมีมุมไม่ดีอยู่ตามมาทุกอย่างที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนี่ยมันมีมุมที่จะให้ความทุกข์กับเราเพราะมันไม่เที่ยงของทุกอย่างมันมีเจริญแล้วมันจะมีเสื่อม ของใหม่ต่อไปมันจะต้องกลายเป็นของเก่าของเก่ากลายเป็นของเสียของพังไปหรือของหายไปนี่เราต้องคิดมุมกลับถ้าเราคิดมุมกลับแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรพอได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียใจต้องทุกข์ใจถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องมีอะไร เมื่อไม่ต้องมีอะไรก็ไม่ต้องมีร่างกายเพราะการจะมีอะไรเราก็ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหามานั่นเองอยากได้ขนมก็ต้องมีร่างกายอยากได้แฟนเราก็ต้องมีร่างกายถ้าเราเป็นสีถ้าเราเป็นผีแฟนเราก็ไม่อยากจะได้เราเองแฟนเราก็อยากจะได้ร่างกายที่น่าดูของเราเราก็เลยต้องคอยเสริมสวยความงามของร่างกายของเราอยู่ คอยแต่งหน้าทาปากทำเล็บทำฟันทำผมทำอะไรต่างๆอวุ่นวายไปกับการแต่งความงามของร่างกายเอพอเราไม่ไม่อยากมีแฟนสบายไหมสบายอถ้าไม่อยากมีอะไรไม่มีไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นสด เราก็ไม่ต้องมีร่างกาย ม, มีไปทําไมมีแล้วก็ไม่ได้ใช้มันมเวลาจะมีความสุขเราก็หยุดความอยากเท่านั้นเองพอไม่มีความอยากความสุขก็มีอยู่ตลอดเวลาเราเลยไม่ต้องไปทำอะไรพอกําจัดความอยากให้หมดไปจากใจนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อไปแม้แต่สมาธิก็ไม่ต้องเข้า เพราะการเข้าสมาธิก็เพื่อไปหยุดความอยากชั่วคราวนั่นเองแต่เมื่อเราไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาเลยแล้วเราเข้าสมาธิไปทําไมเข้าไม่เข้ามันก็เหมือนกันใจก็สุขเหมือนกันใจก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันก็เลยไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้พระพุทธเจ้าพระสาวกนี่ท่านไม่ได้อาศัยสมาธิเป็นอาศัยสมาธิเรืองอาศัยปัญญาเป็นเครื่อง มือมากำจัดทุกเพราะว่าทุกขมันได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วสมาธิกับปัญญานี้เป็นเหมือนยารักษาโรคเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องกินยาโรคภัยไข้เจ็บถึงจะหายพอโรคภัยไข้เจ็บหายแล้วเรากินยาไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกินไม่กินก็เท่ากันกินก็หายไม่กินก็หายแล้วกินไปทําไมให้เสียเวลา ชันใดพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็อย่งนั้นหลังจากที่ท่านกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจแล้วท่านก็ไม่ปฏิบัติธรรมอีกต่อไปถ้าไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อกำจัดความทุกข์แต่ท่านยังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่เพื่อความพักผ่อนไม่เหมือนกับการมารักษาโรคเป็นเหมือนกับกินยาวัถอายุวัถนะ ไม่ได้กินยารักษาโรคแต่เป็นการกินยาเพื่อรักษาร่างกายและจิตใจให้อยู่อย่างสบายท่านเรียกว่าวิหารธรรมการเดินดมกลมนั่งสมาธิของพระ ผ, ผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วนี้ถ้าไม่ได้ทำเหมือนตอนที่ท่านยังมีกิเลสมีเป้าหมายต่างกัน การที่มีกิเลสนี้เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็เพื่อกําจัดกิเลสตัณหาความอยากแต่พอกิเลสตัณหาความอยากหมดไปแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อผ่อนคลายอิรยาบทเพื่อพักผ่อนจิตใจและร่างกายนั่นเองจึงไม่เหมือนกันเหมือนกันกบกินยาที่ไม่เหมือนกันกินยารักษาโรค ก, กับกินยาบํารุงนะเรามี มียาบำรุงเขาเรียกว่ายาเสริมวิตามินต่างๆเยกินเพื่ อ, อดูแลบำรุงรักษาร่างกายให้มันอยู่อย่างปกติไม่ให้มันขาดขาดขาดธาตุขาดอะไรที่จำเป็นต่อการการอยู่ของร่างกายาพระพุทธเจ้าพระหลานท่านก็ยังเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่แต่ท่านไม่ได้เดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยาก พราะมันไม่มีความอยากให้หยุดนะความอยากมันหายไม่หมดแล้วอแต่ก็เดินบางทีนั่งนานๆ ม, มันก็เมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเอลุกขึ้นมาเดินหายเมื่อยก็ไปนั่งถ้าใช้ความคิดมากๆเช่นต้อ ง, องสแสดงธรรมนย่เดี๋ยวเหนื่อยก็พักจิตนะไปทําจิตให้สงบให้มันหยุดคิดะถึงแม้นจะไม่ได้คิดไปในทางกิลเลสมันก็เหนื่อยได้ความคิดมันก็เหมือนกัน คิดความคิดของใครก็เหมือนกันความคิดของพวกคนมีกิเลสบางทีเราก็ไม่ได้คิดไปในทางกิเลสก็มีคิดไปในทางวิชาการเห็นมมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสดูหนังสือมากๆอ่านหนังสือมากๆ ม, มันก็เหนื่อยได้มันก็ตื่อได้เห็นเราเลยต้องหยุดดูแล้วก็ไปผ่อนคลายเห็นไไปดูหนังแทนหรือไปนอนบางดีก็พักผ่อนหลับนอน จะได้หยุดคิดถึงงานที่เรากําลังคิดอยู่อันนี้ก็แบบเดียวกันนะจิตใจเมื่อทํางานเมื่อคิดอยู่บ่อยๆมันก็เหนื่อยได้จิตพระจิตใจของพระเจ้าของพระสาวกก็เหนื่อยได้เอสั่งสอนธรรมะคุยธรรมะกับญาติโยมมาเยี่ยมมาฟังเทศฟังธรรมเอก็เหนื่อยได้เหนื่อยก็ต้องไปพักจิตพักใจพักร่างกายด้วยเอ นี่คือการปฏิบัติของพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์หลังจากที่ท่านได้บรรลุแล้วท่านยังเดินจงกรมยังนั่งสมาธิเพื่อเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของกายและของใจนี่คือเรื่องของการมามาหาที่พึ่งอันใหม่ มาเตรียมล่มชูชีพลืหรือหรือชูชีพพ่อเรือหรือเครื่องบินที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะต้องตกเดี๋ยวมันจะต้องจมทุกคนนั่งกายของเราทุกคนเนี้คนที่มีล่องชูชีพแล้วสบายไหมขึ้นเครื่องบินก็สบายจะตกเมื่อไหร่ก็กระโดดออกจากเครื่องได้คนที่ไม่มีล่องก็กระโดดไม่ได้กระโดดก็เจ็บอยู่กับเครื่องก็เจ็บนี่คือ ใครที่มีสตินั่งสมาธิได้ใครที่ใช้ปัญญาหยุดความอยากได้ก็เป็นเหมือนกับคนที่มีล่มชู ladder, ชีพหรือม no. ีชูชีพเวลาเรือล่มก็จะไม่จมไปกับเรือเครื่องบินตกก็จะไม่ตกไปกับเครื่องบินนั่งกายตายใจก็ไม่ตายไปกับร่างกายแล้วใจก็ไม่ทุกไปกับร่างกายด้วยไม่ไม่ทุกไปกับความตายของร่างกาย ถ้าไม่มีถ้า ม, มีไม่มีร่มชูชีพใจจะทุกข์มากเวลาร่างกายตายเพราะใจไปยึดติดกับร่างกายต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆนั่นเองเงั้นเราต้องมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันถ้าเรายังหาความสุขจากการใช้เงินอยู่ก็หยุดอย่าเอาเงินไปซื้อ ของตามความอยากต่างๆหรือทำตามความอยากต่างๆให้เอาเงินนี้ไปทำบุญแทนการทำบุญก็จะทำให้เราหยุดใช้เงินซื้อความซื้อของตามความอยากนั่นเองทุกครั้งอยากจะใช้เงินตามความอยากก็เอาไปทำบุญเพราะไหนๆเราก็ต้องใช้มันอยู่แล้วใช่ไหมใชใ้มันเกิดประโยชน์สิอย่าใช้ให้มันเกิดโทษ ใช้ตามความอยากแล้วมันจะทำให้ติดมันจะอยากอยู่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันไม่ได้ความสุขแท้มันได้ความสุขเทียมความสุขปลอมความสุขแบบควันไฟเวลาใช้เงินตามความอยากนี่มันดีใจเดี๋ยวๆซื้อของมาดีใจเดี๋ยววของที่ซื้อมาพอได้มาแล้วมันไม่ได้ให้ความสุขเราอีกแล้วมันพรุ่ง น, นี้ดูมันก็ไม่มีความสุขแล้ว มันไม่สุขเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆไปเที่ยวที่ไหนก็สุขเดี๋ยววพอกลับมาบ้านความสุขที่ได้จากไปเที่ยวก็หายไปแล้วแล้วพอไปคิดถึงความเคยที่เคยไปเที่ยวอีกก็เกิดความอยากไปอกีกความสุขที่เราได้จากการทำตามความอยากมันเป็นความสุขที่จะทำให้เราหิวเราอยากเพิ่มขึ้นไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากการทาบุญ พอเราได้ทำบุญแล้วใจเราจะอิ่มจะพอจะไม่รู้สึกอยากไปทาอะไรไม่อยากไปเที่ยวไม่อยากไปซื้ออะไรอันนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินเพราะเรามีเงินเหลือใช้ไม่รู้จะทำอะไรเก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็วิธีที่ใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเอาไปทำบุญเ้วต่อไป ถ้าเราทำบุญบ่อยๆต่อไปเราก็จะไม่มี s <S มความอยากจะใช้เงนินซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆเราก็จะได้ไม่ต้องไปหาเหงินมากเราก็จะได้มีเวลามาฝึกสติมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้ถ้าเรายัางต้องใช้เวลาหาเหงานินใช้เวลาเอาเวลามาใช้เอาเวลาหาเหงานินแล้วเอาเวลามาใช้เงินอยู่เราจะไม่มีเวลาที่จะไปหยุดความคิดหยุดความอยากได้ เพราะการหาเงินก็ต้องใช้ความคิดการใช้เงินก็ต้องใช้ความคิดมันก็จะผลักดันให้ใช้ความคิดมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเมื่อใช้ของใช้เงินหมดก็ต้องไปหาเงินใหม่เพราะความอยากจะใช้เงินมันไม่หมดมันจะมาเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาหยุดความคิดหยุดความอยากได้ พระพุทเจ้าบอกว่าขั้นต้นถ้าเรายังยุ่งเกี่ยวข้องกับการหาเงินการใช้เงินอยู่เนี่ยเราต้องหยุดหยุดด้วยการเอาเงินที่เราจะใช้ตามความอย่ากนี้เอาไปทําบุญหรือไม่เช่นั้นก็เก็บไว้เฉยๆมาเก็บไว้สําหรับเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็หยุดทํางานหยุดหางานหยุดหาเงินถ้าเรามีเงินพอที่จะหยุดหาเงินได้ก็หยุดหาเงินไปะแล้วก็ลองเอาเวลาว่างนี้มา ฝึกทําใจให้สงบหยุดความคิดหยุดความอยากพอเราหยุดความคิดหยุดความอยากได้ถึงแม้จะไม่ได้เต็มที่พอรู้จักวิธีหยุดความคิดหยุดความอยากเราก็สามารถไปบวชได้เลยเอไปอยู่วัดได้เลยเพราะเรารู้แล้วว่าไม่มีงานอะไรที่สําคัญเท่ากับการมาหยุดความคิดหยุดความอยากอันนี้อแต่ตอนต้นเราต้องมีเวลาอ ถ้าตอนนี้เราทำงานแล้วเราเก็บเงินไว้อยู่ก้อนหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราหยุดทำงานได้มีเวลาว่างทักปีหนึ่งเงินที่เราเก็บไว้นี่เราสามารถใช้ได้หนึ่งปีก็หยุดทำงานไปเลยแล้วเอาเวลานี้มามาฝึกสติมาฝึกสมาธิมาหยุดความคิดหยุดความอยากมาศึกษาธรรมอ่านหนังสือธรรมะจะมีเวลาอ่านทั้งวันเลย เนี่ยตอนต้นเราก็ทำอย่างนี้พอเราเห็นพอเรามองเห็นเห็นแล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็เลยวางแผนดูเงินสำรองที่เราเก็บไว้มีเท่าไหร่ตอนนั้นหกพันหกพันเราคำนวณนะปีหนึ่งเราอยู่ได้กินเวลาไม่ถึงเรากินวันละมือ้อหัดกินวันละมือ้อมื้อไม่เกินสิบบาทยี่สิบบาทของถมายนั้นมันถูกก๋วยเตี๋ยวชามละสองบาท ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงชามละสามบาทเนี่ยกินก๋วยเตี๋ยวชามข้าวชามก็ห้าบาทท่านเองก็อยู่ได้ละวันละห้าบาทค่าอาหารบ้านก็ฟรีน้ำไฟก็ไม่ใช้มันมากไฟไม่เปิดใช้เทียนส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้เมื่อก็นั่งสมาธิไปมันก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายก็เลยอยากจะลองปฏิบัติอยากจะลองศึกษาก็เลยลาออกจากงาน แล้วก็อยู่ปีหนึ่งในช่วงปีนั้นก็ศึกษาปฏิบัติจนสามารถควบคุมใจได้ในระดับหนึ่งทำใจให้สงบได้ระดับหนึ่งมีความมั่นใจว่าไปบวชได้แล้วทีนี้บวชแบบไม่ศึกได้ก็เลยไปบวชพราะถ้าไม่บวชก็ต้องไปทำงานนะเพราะเงินหมดเงินใกล้จะหมดแนละ้วไม่หมดอนละใช้ประมาณครึ่งเดียวนะยังเหลือ อ, อีกสามพันปีหนึ่งใช้ไปแค่สามพัน แต่ก็มีบางทีก็มีคนเมตตาให้มาบ้างอะไรอย่างนี้แต่ไม่มากไม่ได้ให้บางทีก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แอ่ส่วนใหญ่เราก็อาศัยเงินก้อนที่เราเก็บไว้เนี่ยกินเนี้ยงหัดกินมื้อเดียวไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็ไ่ไปเที่ยวอัย่างนั้นไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเพราะเราต้องการเอาเวลามาปฏิบัติมาศึกษามีเวลาได้อ่านหนังสือธรรมะอย่างละเอียด อ่าอ่านหลายหลายเล่มอ่าจะได้รู้เรื่องราวส่วนอยญกจะเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติสติปัฏฐานสูตรนี่เป็นหลักอันนี้เราต้องทำอย่างนี้ถ้าเราอยากจะมีเวลามาควบคุมความคิดความอยากมาหยุดความคิดความอยากมาสร้างร่มชูชีพให้กับเราเพราะเราพอเราสามารถหาความสุขในรูปแบบ ใม่ได้ไม่ต้องใช้ร่างกายได้ทีนี้เราไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายและร่างกายจะเป็นยังไงนี้สบาย อ, อ, อยู่กับมันไปวันวันหนึ่งไม่เคยใช้อาศัยมันทําอะไร อ, อไม่ได้ใช้มันหาความสุขแะทีนี้เอามันมาใช้ทํางานทําประโยชน์ให้กับคนอื่นจะมากกว่าเนี่ยเนี่มานั่งพูดมานั่งพูดธรรมะเนี่ยอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องวางแผนนะถ้าจะทาถ้าจะมาทางนี้มันมันต้องมีวางแผนเหมือนกับวางแผนทำอะไรต่างๆเราจะไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะไปภักที่ไหนต้องมีเงินจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องบินหรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะมีเวลาปฏิบัติเราจะต้องทำยังไงเราก็ต้องหยุดทางาน เมื่อเราหยุดทำงานเรามีเงินสำรองไว้สาหรับจ่ายค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นหรือเปล่าแล้วค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นเราลดมันลงได้ไ้ยเอามันแบบมักน้อยให้มันน้อยที่สุดใช้ให้มันน้อยที่สุดเพื่อจะได้มีเวลามากๆจะได้ใช้ได้นานนั้นเองถ้าใช้มากเดี๋ยวมันไม่พอเอาเวลาสักปีหนึ่งถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆปีหนึ่งมันจะรู้ ดูแล้วรู้ลอดเราจะจะไปทางนี้ได้หรือไม่ได้ถ้าไปไม่ได้ก็ถือว่ายังเป็นกรรมของเราอยู่ก็แล้วกันอแต่ถ้าไปได้มันก็จะไปเลยอื น, นี้ก็คือเรื่องของการมามาสร้างล่มชูชีพหรือสร้างชูชีพเพราะว่าเราเป็นผู้โดยสารเครื่องบินเป็นผู้โดยสารเรือเดี๋ยวเครื่องบินมันจะตกเรือมันจะจมเนือ ถ้าเราไม่เตรียมชูชีพหรือร่มชูชีชพเดี๋ยวเวลาเครื่องบินตกเรือจมนี่เราจะเราจะลําบากแต่ถ้าเรามีร่มชูชีพเราเราจะสบายต่อไปร่างกายเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราสามารถหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พราอยากก็ไม่ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่ดีแต่ตอนนี้พวกเราที่ยังอาศัยร่างกายอยู่ทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าห้ามไม่ได้ก็ยังอยากห้ามมันอยู่นั่นยังอยากไม่แก่ยังอยากไม่เจ็บยังอยากไม่ตายอยู่นั่นเพราะความอยากนี้มันร้ายมันมีพลังมากเราต้องมาหยุดมันให้ได้มันถึงจะทำให้เราไม่ทุกข์ จะหยุดได้เราก็ต้องมาฝึกสติมาฝึกสมาธิมาฝึกใช้ปัญญากันถ้าเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาได้ที่นี้เราก็จะสบายเราจะมีร่มชูชีพร่างกายเป็นอะไรก็จะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปปักปติอิทิตังปัท um ิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตจังกปา จันโทปนะหราโสยถามณิโชติพระโสยถาสัภิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อภพิวาทนสีดิสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังวันนี้ Facebook, เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟซบุ๊กเข้ามาสี่ร้อยเก้ายูทูป สองร้อยสองวิทยุออนไลน์สามสิบสองรับฟังข้างบนเขายี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดหกร้อยหกสิบแปดครับมันใกล้ๆตองหกอยู่เลยนะอ้าอยากจะถามเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวเอาไม้ไปพูดใกล้ๆปางเลยเจ้าค่ะนำมัศการค่ะหลวงพ่อคืออ่า อันนี้ก็คือเรื่องที่หนูเจอประสบการณ์ทุกๆวันแต่ทีนี้สิ่งที่หนูกระทบก็คือว่าบางทีเราต้องเจอโลกใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อเอ๋จะพยายามเดินเดินว่ามั่งอะไรมั่งแต่หนูอะปัจจุบันนี้ก็คือไม่ตอบการที่ไม่ตอบของหนูเนี่ยไม่ใช่ว่าข้างในไม่โกรธนะเจ้าคะหนูก็พูดความจริงมันก็มีโกรธแต่หนูไม่มีไม่ตอบโต้กลับไปทีนี้เพื่อนที่เป็นญาติธร่ทด้วย ก, กันก็ถามว่าเอ๋การที่เธอไม่ตอบทาร์จริงจริงเธอด่าเขาในใจไหม หนูก็ตอบบอกว่าไม่อยากโกหกแล้วก็มีมากอ่ะเจ้าค่ะแสดงว่าเอ๋อมีอัตตาตัวตนเยอะหลวงพ่อเจ้าคะช่วยสอนหนูหน่อยเจ้าค่ะก<อ>็คือถึงแม้ว่าออการที่เราไม่โต้อตอบนี้แสดงว่าเรามีสติเรามีสติพอที่จะหยุดความที่เราจะไปตอบโต้เขาได้แต่เรายังไม่มีปัญญาที่จะทําให้ใจไม่ไปโกรธเขาไปเกลียดเขาออื เราต้องมาฝึกปรรัญญาต้องมองว่าสิ่งที่เราโกรธเราเกลียดนั้นเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอะไรเราเคอยโกรธฝนไหมเกิดดินโกรธดินไหมเกิดฟ้าไห ม, ไมเกิดอากาศไหมก็มองเพ้าว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศคือเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้จะมาเราสั่งดินฟ้าอากาศให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ไหม เราก็อย่าไปสั่งให้คนคนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นนานตามความอยากของเราสิเขาเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยอย่าไปอยากเขาเป็นส้มเข้าใจไหม BJ, เข้าใจก็เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้เขาไม่ดีก็รู้ว่าเขาไม่ดีเท่านั้นเองไม่ต้องไปโกอธกับความไม่ดีของเขาทีนี้ญาติธรรมบอกว่าคําว่าอัตตาตัวตนหนูไม่เข้าใจก็นั่นแหละก็เรา ยังยังมองว่าเขาเป็นคนอยู่เป็นตัวตนอยู่ยังไม่ได้มองว่าเป็นดินฟ้าอากาศเราก็เป็นดินฟ้าอากาศเราก็เป็นใจผู้รู้เฉยๆเป็นผู้รับรู้เฉยๆแต่เราไปเอาตัวตนไปออกรับแทนถ้าเป็นผู้รู้เฉยๆก็ให้รู้เฉยๆไปเขาด่าก็รู้ว่าเขาด่าเขาชมก็รู้ว่าเขาชมไม่ต้องเอาตัวตนออกไปรับไม่ต้องไปขอบใจเขาหรือไปโกรธเขา เวลาไปขอบใจก็นี่ก็แสดงว่าเอาตัวตนออกไปรับแล้วใครเขาชมเราก็ขอบคุณข้าอย่างนี้ตัวตนออกไปแล้วพอใครก็ดา่าเราก็โกรธเข้าขึ้นมานี่ก็ตัวตนออกไปรับแล้วถ้าไม่มีตัวตนก็ดูเฉยๆไปรู้เฉยๆไ ป, ๆไปสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าตอนนี้เขาดา่าเราไว้ก็จบตอนนี้เขาชมเราแล้วไว้ก็จบแท่นั้นเองจบตรงนั้นไม่มีการตอบโต้นี่เราใช้สติหยุดมันแต่เรา หยุดหยุดเพลงตะกิริยาหยุดทางทางร่างกายทางวาจ า, จาแต่เรายังหยุดใจไม่ได้เพราะเรายังไม่มีปัญญายังมีตัวตนอยู่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะหลวงพ่อเราก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่เราเห็นก็ไม่มีตัวตนสิ่งที่เราเห็นเราต้องเห็นว่ามันเป็นดินน้ํำลมไฟทุกอย่างทำมาจากดินน้ํำลมไฟดังนั้นนะ่ะ ร่างกายของใครก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นอมองให้เห็นเป็นดินน้ำลมไฟใจก็เป็นผู้รู้ไม่ใช่เป็นตัวตนใจก็ให้รู้ไปดินน้ำลมไฟก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะเป็นกล้วยก็อยาปล่อยให้มันเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้มันเป็นส้มอย่างนะมันไม่ดีก็อย่าไปอยากให้มันดีแต่ถ้าเราทำให้มันดีได้ก็ทำไม่ได้ห้าม เช่ลูกเราไม่ดีสอนให้มันดีได้ก็สอนแต่ถ้าสอนไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปออาใจยารอ์มีคนนี้จะถามเมื่อไหร่เรา ม, มานั่งเป็นเพื่อนนี่เฉยถ้าเนี่ยถ้าไม่ถามก็ไม่ไ ม, ไม่ต้องถามนะอย่าอย่ามาบรรยายไม่ต้องการบรรยายอา่ไปยื่นต่อคำถาม ครับคำถามจากทางไลน์ครับจากคุณเจนรงวหว้บันพุบุรุษแบบจีนกันมานานแล้วญาติได้รับแค่ไหนถ้าจะเลิกไหวจะทำแค่ทางสงจะอธิบายให้ญาติส่วนใหญ่เข้าใจอย่างไรดีครับก็บอกว่าทำแล้วไม่ได้อะไรเพราะว่าคนตายนี่สิ่งที่เขารับได้ก็คือบุญ บุญที่เราทำก็ต้องเอาของที่เราว่านี้ไปแจกคนจนเนือแจกใส่บาตรถวายพระไปแล้วเราก็สามารถเอาบุญที่เราทำนี้ส่งไปให้คนตายได้แต่ก็ไม่รับรองว่าจะถึงคนตายหรือไม่เพราะไม่รู้ว่าคนตายเขาไปอยู่ที่ไหนเขารอรับอยู่หรือเปล่าถ้าก็ไม่รอรับก็ส่งไปก็ มันก็กลับมาหาเราเหมือนส่งของไปทางไปษนีเขาก็ส่งกลับมาไม่มีผู้รับนอกจากว่าถ้าเราเขียนว่าถ้าไม่มีผู้รับก็ให้บุรุษไปษณีไปก็แล้วกันอ ก, ก็ไม่กลับมาหาเราถ้าเราอุทิศให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วเกิดเขาไม่รับก็ให้สับประสัตไปอสัตว์ตัวไหนวิญญาณดวงไหนรอรับอยู่ก็เอาไปอย่างนี้ก็ได้แต่ การไปเอาของไปวางไว้ที่สุสานสักชั่วโมงเสร็จแล้วก็มานั่งกินกันนี่มันไม่มีใครได้อะไรนอกจากคนกินเท่านั้นที่ได้แต่คนตายไม่ได้กินอะไรคำถามจากคุณลักษ์คนที่รับขันผีมาจิตเปิดแล้วต้องทำอย่างไรเจ้าคะ มันไม่มีหรอกเล่นละครกันไปเขาบอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นก็เชื่อเข้าไปผีอยู่ตรงไหนมีหรือเปล่าขันอยู่ตรงไหนขันผีเป็นยังไงมันเป็นเรื่องสมมุติกันว่ากันไปเหมือนเด็กเล่น เอาของเล่นมาเอาเก็บก้อนหินมาแล้วกว่านี้เป็นเพชร น, นะอะก็เชื่อกันสมัยเด็กๆเราเล่นซองบุหรี่กันอซองบุหรี่ยี่ห้อนี้มีราคาห้าบาทยี่ห้อนี้มีราคาสิบบาทโอ้โหก็บ้าไปกับมันเลยไปเดินไปตามกองขยะค่อยเก็บไอ้ซองบุหรี่ฝาเบียรก็เหมือนกันฝาเบียยี่ห้อ นมันเป็นของเล่นทั้งนั้นอ่ะเข้าใจไหมล้วก็เชื่อกันไปมันไม่มีความหมายอะไรหรอกออครับคำถามจากคุณระพีพัฒคนที่ชอบบอกว่าวางให้ได้สิอย่าไปยึดติดปล่อยวางสิพูดนี้พูดง่ายกันทุกคนทำค่อนข้างลำบากแต่อุบายของผมบางอย่างต้องยึดเอาไว้ก่อนใช่ไหมครับ ได้แล้วอิ่มได้แล้วอิ่มแล้วจึงค่อยวางได้เช่นจำสัญญาได้แล้วจึงวางสัญญาลงมีทรัพย์มากพอแล้วจึงบริจาคให้คนที่มีโอกาสน้อยกว่าเราเป็นต้นแล้วจะมีวิธีตรวจสอบอย่างไรว่าตัวเราปล่อยวางได้จริงไม่ยึดติดได้จริงครับคือการวางมันมีเป็นระดับระดับนี่เป็นชั้นๆั้นไป บางมากบางน้อยถ้าจะวางเต็มที่ก็ต้องเนีย่ยวางร่างกายเนี่ยตัวสุดท้ายตอนต้นพระเจ้าบอกให้วางทรัพย์ก่อนสละทรัพย์ก่อนใช่ไหมฉลาทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยมาสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมเนี่ยในที่สุดมันต้องปล่อยหมดถ้าต้องการทำคือความสงบมันจะต้องปล่อยหมดร่างกายก็ต้องปล่อย ถ้าเราวุ่นวายกับทรัพย์ก็ต้องปล่อยทรัพย์มันถึงจะสงบใช่ไอมถ้าเราวุ่นวายกับอวัยวะเราก็ต้องปล่อยอวัยวะคือเรายังยึดติดอะไรอยู่มันทำให้เราทุกข์เราก็ต้องปล่อยสิ่งนั้นไปทีนี้อยู่ที่ว่าเรายังทุกข์กับมันหรือไม่บางทีตอนนี้มันยังไม่ทุกข์ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์กันถ้าไม่พิ จ, จารณา ล่วงหน้าไว้ก่อนมันอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตอนนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลามันไม่มีเวลามันหมดไปถ้าเราไม่คิดแบบอ น, นิจจังเราจะมองไม่เห็นถ้าเรามองว่าทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่เดี๋ยวไม่ชา้าก็เร็วมันก็ต้องมีการพัดภาคจากกันแล้วตอนนั้นเราจะทำไงเวลาเกิดการพัดภาคจากกันถ้าเราปล่อยไม่ได้ตอนนั้นเราจะทุกข์มาก ดันั้นถ้าเราอยากจะไม่ทุกข์เราก็หันมาปล่อยตั้งแต่ตอนนี้สิปล่อ ย, อยตั้งแต่มาตอนที่มันยังไม่จากกันลองปล่อยทีละนิดเทียนหน่อยเช่นเงินทองก็ปล่อยไปได้เรื่อยๆทําบุญไปได้เรื่อย เ, ออเก็บไว้เท่าที่จําเป็นอะไรทํานองนี้เ อ, อเมราก็จะได้รู้ว่าเออเรื่องเงินทองนี้เราปล่อยได้แล้วเราไม่ทุกข์กับเงินทองแล้วอังนั้นการปล่อยวางมันมีหลายระดับหลายขั้น หลายชิ้นหลายอย่างของที่เราไม่ชอบปล่อยง่ายของที่เราไม่รักไม่หวงปล่อยง่ายของที่เรารักเราหวงนี่ปล่อยยากใช่ไหอระหว่างลูกกับแฟนนี่อันไหนยากกว่ากัน <c oughs> <c oughs> ลูกยากกว่าเลยเอเอบางคนก็กแฟนยากกว่าก็แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนถ้าชอบแฟนมากกว่าชอบลูกก็ อ, อ, อันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราไปรักอะไร ของที่เราลักมันจะทำให้ปล่อยยากของที่เราไม่ลักนี่ปล่อยง่ายวิธีที่จะทำให้เราไม่ลักก็ต้องดูว่ามันจะต้องเสื่อมมันต้องเสียมันต้องตายไปมันก็จะทำให้เราไม่ลักมันคำถามจากคุณเก่งกราบนามัสการพระอาจารย์ครับผมสนใจที่จะบวดระยะยาว เน้นปฏิบัติแบบจริงจังแต่เคยได้ยินมาว่าวัดป่าต่างๆจะไม่รับพระบวชใหม่เลยอยากจะเริ่มต้นบวชกับพระอาจารย์ที่วัดยานไม่ทราบว่าทางวัดมีขั้นตอนรับพระใหม่อย่างไรบ้างครับและมีข้อวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดเน้นภาวนาอย่างเดียวเหมือนวัดป่าของหลวงตาไหมครับและมีกิจตลอดวัน มีอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับ คือวัดป่าทุกวัดนะ่ะเขารับพระบวชใหม่ทั้งนั้นแนหะเพียงแต่ว่าเขาไม่ทำพิธีบวชให้เท่านั้นเองต้องไปบวชที่อื่นบวชที่เขาบวชมีพิธีบวชบวชเสร็จแล้วก็ไปอยู่วัดป่าได้ทุกวัดนะ่ะเขารับบวดถ้ามีที่ว่างที่อยูเออ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาที่นี่หรอกเพราะที่นี่ไม่เข้่งคัดเพราะที่นี่มันเป็นวัดจับใจเข้าใจมีทั้งวัดบ้านปนกับวัดป่าต้องทากิจกรรมร่วมกัน บินดา บ, บาร่วมกันฉันร่วมกันลงปฏิโมกร่วมกันจะแยกกันก็ตอนที่แยกที่อยู่เท่านั้นเองผ้าป่าก็ยู่ขึ้นมาอยู่บนเขาพ้าบ้านก็อยู่ข้างล่างข้างล่างก็มีน้ําไฟอะไรทุกอย่างพร้อมบริบูรณ์ข้างบนก็ไม่มีน้ําไม่มีไฟแะข้างบนนี้ที่มันเต็มที่มันแคบมันมีที่จํากัดมาบวชก็ไม่จะไม่ได้ขึ้นมาอยู่ที่นี่เพราะที่นี่ต้องมีคิวรออยู่เอ ต้องมีที่ว่างเพราะฉะนั้นไปบวชที่วัดไหนก็ได้แล้วก็ไปอยู่ที่สำนักไหนก็ได้ถ้าเขาปปิดรับก็ไปขอวิธีจะไปอยู่ตามสำนักมันก็ต้องไปแล้วก็ไปสแสดงตัวเองให้เขาเห็นว่าหน้าที่จะรับคือไปใหม่ๆเขาจะบอกไม่รับทั้งนั้นเนอะเขาบอกจะให้อยู่ชั่วคราวอตอนที่เราไปวัดป่าบ้านตาท่านก็บอกให้อยู่ชั่วคราว แต่เราต้องไปพิสูจน์ตัวเราว่าเราดีพอที่จะให้เขาให้เราอยู่อย่างท้าวรนได้วิธีที่จะทำให้เราดีก็ต้องทำตัวเราให้เข้ากับเขาเข้ากับกฎระเบียบเข้ากับการปฏิบัติต่างๆเข้ากับคำสอนของครูบาอาจารย์ได้ท่านก็จะรับเราอยู่ไปตลอดเนี่ยยัไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องว่าเขาจะรับไม่รับนี่ไปที่ไหนเขาจะไม่รับทั้งนั้นอ่ะเขาเพียงแต่รับชั่วขา่าว พราะเขาไม่รู้ว่าเรามาไม้ไหนมาแบบไหนเป็นผี่นหรือเป็นพระมาก็ไม่รู้เพราะมันโกนหัวน่มนุ่งเหลืองห่มเหลืองเหมือนกันเเอออร่างกายเป็นพระแต่ใจมันเป็นถี่นหรือเป็นพระก็ไม่รู้บางคนมาบวชแล้วก็ดื้อนี้สอนไม่ได้เขาก็ไม่ให้อยู่ออันนี้เราต้องไปพิสูจน์ตัวเราเองให้เขาเห็นว่าเราเป็นพระทั้งข้างในและข้างนอกเอ ทางในก็คือเรามีความเคารพในธรรมวินัยเคารพในคําสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ถ้ า, า, า, า, า, ากเาาเาเาเ็เห็นเราเป็นพระข้างในด้วยเขาก็รับเราแต่ถ้าก็เราเห็นเห็นเราเป็นพระข้างนอกแต่เป็นผีข้างในเขาก็ไม่เอาเขาก็จะปฏิเสธเราไปอาจจะมาบวชที่นี่ก็ได้แต่ต้องไปติดต่อเขาเจ้าวาดแล้วก็ต้องอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ยังไม่ได้ให้ขึ้นมา จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อมีที่ว่างแนละ้วต้องผ่านหนึ่งพันษาไปก่อนต้องเรียนนักทรรมตีไปก่อนคำถามจากคุณบิรพงศ์ท่านพระอาจารย์ครับพระฉันโอเลี้ยงไม่ยกล้อได้ไหมครับยกล้อก็ใส่นมใช่ไหม โอเล้งในเวลาเข้าใส่นมก็เลยยกล้องก็ถ้าโอเลี้ยงไม่ใส่นมก็ถือว่าเป็นกาแฟกับน้ําตาลก็ดื่มได้หมายถึงตอนหลังหลังเที่ยงวันไปแล้วนะคือเครื่องดื่มที่ไม่มีนมนี่ดื่มได้ถ้ามีแต่น้ําตาลมีแต่ชากาแฟอย่างนี้ดื่มได้แต่ถ้าใส่นมผสมเข้าไปไม่ได้เช่นโอวัลตินไมโลนี้ไม่ได้เพราะมันมีส่วนผสมของไข่ของข้าว แล้วของแล้ว เ, เป็นนมนมไมโยวรคือก็ถือว่าเป็นอาหารเสริมถ้าเป็นอาหารเสริมก็ต้องฉันก่อนเพลนถ้าฉันมือเดียวก็ต้องฉันตอนตอนฉันมือเดียวไปเลยแต่ถ้าหลังตอนบ่ายนี้ ถ้าดิมเพิ่เดิมที่ไม่มีนมไม่มีอะไรพวกนี้ดื่มได้เพราะน้ําชาก็ชากาแฟนี่ก็ถือว่าเป็นโอสดปัญญาอย่างหนึ่งผงชาผงกาแฟนี่เป็นเหมือนกับอายามะตูมพวกนี้ปัญญาถ้าผสมน้ําตาลน้นําตาลการอนุญาตให้ดืม่มตอนบ่ายได้แต่ห้ามนมแต่ถ้าเป็นเนยนี่ได้อยู่ ก็ถือว่าเป็นเภศัชห้าเภสัชห้ามีเนยขนเนยใสน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำมันอันนี้ดื่มตอนบ่ายได้เป็นยายาจะเคลือบกระเพาะหรือยาให้กำลังเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าตอนบ่ายก็ดื่มน้ำพึ่งสักหน่อยดื่มน้ำตาลสักหน่อยก็จะให้กำลังขึ้นม า, าเขาาอนุญาตเภสัชห้า สมัยน uh> so um um so ี้นมกับเนยเราก็เนยข้นเราก็มาแปลเป็นเนยเนยแข็งไปเพราะเนยข้นสมัยก่อนกับเอยข้นสมัยนี้ไม่รู้เป็นยังไงก็เลยเป็นเนยเนยแข็งไปเอยข้นก็เป็นเนยแข็งเนยสายก็เป็นเนยที่ทาหนมปังอ่ะอันนี้ก็ก็ฉันได้ สมัยนี้เขาก็เลยมีวิธีทำให้มันน่ากินถ้าฉันเนยป่าๆมันก็ไม่อร่อยกินไม่ลงเพราะมันจืดๆมันเค็มๆมันมันเ ข, นเขาก็ราดน้าตาลมาผสมแล้วก็กวนมันการบรายเนเนยกวนไปเดี๋ยวนี้ก็มีญาติโยมทำเนยกวนขายให้คนที่อยากจะทำบุญกับพระก็ซื้อเนยกวนมาถวายพระเดี๋ยวส่งมโครโฟนไปให้ทางนี้น ก็ได้เอาไมก็ามาควรเอาไหมก็ควรไม่ได้มันไม่ได้ยินเสียงอ่ะเขาจะว่าแล้วอย่างนมถั่วเหลืองอย่างนี้ได้ก็ เ, เหมือนกันถือว่าเป็นน ม, มเลยเป็นเรื่องคาว่านมอยู่แล้วนมถั่วเหลืองนมอะไรต่างๆางน้ําถั่วเหลืองอะค่ะนั่นแหละเหมือนกันแหละเขาว่าอันนี้แล้วแต่นะความจริงมันมีแบ่งเป็น เป็นสองสองฝ่ายฝ่ายที่เขาถือว่าดื่มได้ก็มีคือวัดวัดมานิการนี้เขาให้ให้ดื่มนมได้เขาถือว่าเป็นเครื่องดื่มเป็นยาแต่ทางสายธรรมยุทธ์นี้เขาถือว่าเป็นอาหารอไม่ให้ดื่มแล้วแต่ละวัดก็ไม่เหมือนกันนะดังนั้นเราต้องไปดูวัดที่เราจะไปทำบุญหรือไปอยู่ว่าเขาเดื่มได้หรือดื่มไม่ได้อ แ้้วมีเดี๋ยวนี้มันมีความเข้มข้นไม่เท่ากันคำถามจากคุณ อ, อ น, นุ์กราบนมัส ก, การครับพระอาจารย์การที่บนไว้แล้วไปแก้บนโดยการไปถวายของเพื่อแก้บนเช่นไปบนกะหลวงพ่อโสธรแล้วไปแก้บนโดยการถวายไข่ให้ท่านเป็นการเข้าใจ หรือเป็นการกระทาที่ถูกต้องหรือไม่ครับคุณบนอะไรค็ต้องทำตามที่คุณบนสิคาว่าบนก็คือไปทำทาคำสัญญาไว้เหมือนเราทำทาสัญญาเช่าอพาร์ทเม้อนอย่างเงี้ยเช่าอพาร์ทเม้นหกเดือนอต้องจ่ายเดือนละเท่าไหร่เราก็ต้องทำตามสัญญาถ้าเราทำผิดสัญญาเราก็ เป็นคนไม่มีสัจจะคนโกโหกหลอกลวงอืท่านั้นเองการที่ไปโบนอะไรก็เป็นเหมือนกับเราไปไปยืมของเขาเนี่ยไปยืมของจากหลวงพ่อพระพุทธรูปว่าถ้าผมได้ของนี้มาผมจะให้สิ่งนี้กับหลวงพ่อนะถ้าผมได้งานผมจะซื้อแอปเปิ้ลมาถวายหลวงพ่อออ่างนีเมื่อถึงเวลาได้งานก็ต้องเอาแอปเปิ้ลมาถวายหลวงพ่อถึงจะไม่โกหกท่านนั้นเองอถ้า บนว่าจะถวายแอปเปิปล้ลพอถึงเวลาซื้อส้มมาถวายแทนนี้ก็แสดงว่าหลอกลวงกันคำถามจากคุณกอล์ฟลองทดสอบเนสัชิกและผ่อนอาหารใจไปติดระหว่างกิจกับธรรมตัดกันลงไม่ขาดเลยลองผ่อนอริยบทเมื่อปล่อยวางใจก็สบายเป็นการซ้อม อยากขอกำลังใจและคำแนะนำเพิ่มเติมครับเ ร, เราต้องทดสอบดู ว, ว่าวิธีไหนเหมาะกับเราถูกกับเราแล้วก็ทำจากน้อยไปหามากอย่าทำแบบผักขม เ, ออเพราะกำลังจะไม่พอแล้วถ้าทำไม่ได้มันจะท้อแท้ออยิ่งทำจากน้อยไปหามากพอตอนนี้ทาครั้งนี้ทำได้ก็เพิ่มมันขึ้นไปอีกหน่อยนึง แล้วทำจนกว่าจะถึงขีดที่เรารู้ว่าทาได้เท่านี้อย่างเช่นอดอาหารเนี่ยตอนต้นก็ลองอดวันหนึ่งก่อนต่อไปก็สักสามวันต่อไปก็ห้าวันต่อไปก็เจ็ดวันอดไปเรื่อยๆดูสิว่าถึงกี่วันที่จะเหมาะ ก, กับเราคือการอดอาหารนี้มันจะกระตุ้นให้เรามีความขยันในการภาวนาถ้าเราอดอาหารแล้วขี้เกียจมีแต่นอนนี่ก็อย่าไปภาวนาอย่าไปอดให้เสียเวลา ยังนี้คือเรื่องที่เราจะต้องออขึ้นมาทางด้านหนังนี้ได้เราจะต้องพิสูจน์ต้องทดสอบต้องทดลองจ ะ, ะให้มีความเพียรพยายามทําไปจากน้อยไปหามากมีอะไรอยากจะถามไหมมีหรือปรเปล่เาเดี๋ยวเดี๋ยวเาเอาไมโครโฟนไปก่อนจะได้ยินเสียงทั่วถึงกัน พูดใกล้ๆปากเลยนะกาบพระจันทร์นะพูดใกล้ๆปากนะสวัครับผมกาบพระจานทร์ครับอพอดีที่ผ่านมาของผมอทุกวันพระอในเวลาประมาณห้าถึงเจ็ดปีได้ทําเนสชิกนะครับแล้วก็รักษาสินแปดเสร็จแล้วอ ประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมามเป็นโรคกระเพา ะ, ะทําให้ผมต้องอตอนเย็นต้องมารับประทานพวกผลไม้บ้างนะครับก็ทาทาให้สิ่งที่เราตั้งใจว่าจะรักษาสิทิแปดคล่องไปนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ก็รอให้มันหายก่อนแล้วค่อยกลับมาถือใหม่ก็ได้อ๋อครับมันไม่ได้เป็นไปตลอดอครับผม ถ้ามันเป็นไปตลอดก็ถือว่าเป็นกรรมของเรารที่ไม่สามารถรักษาสินแปดได้บริสุทธิ์แต่ก็ไม่เป็นไ ร, รถ้าเรากินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่ก็กินกินเพื่อรักษาร่างกายก็เหมือนกินยาไปแต่เราก็ไม่ไป อ้างว่าเราถือศีล8ดครบก็แล้วกันเรายอมรับความจริงใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นรักษาศีลห้าหรือศีลเจดก็ได้ไม่ต้องศีลห้าขอบคุณครับอาจารย์ค้อนี้ไม่บริสุทธิ์ไม่แต่ก็ไม่ได้กินเพื่อความอยากกินหรือกินเพื่อดับความใช่ครับอะไรกินเพื่อรักษาก็ไม่เป็นไรใช่ครับเพราะผมเอาผลไม้มารักษาประคองไม่ไม่ให้อะกระเพาะมันมีปัญหาเออได้ก็ไม่เป็นไรได้ครับแต่เพียงแต่ว่าเราถือศีลเจไปก็แล้วกันครับผมกครกินอาหานั้น ครับ อ, อ่าพระอาจารย์ครับผมมีความตั้งใจว่าประมาณไม่เกินปีหกห้านี้ผมจะออกบวชนะครับพระอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับก็เอาปีหน้าเลย เล่งงจากหกห้ามันเป็นหกสองถ้าถ้าเร่งได้ก็รีบเร่งเสียครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเวลามันข้างหน้ามันอนาคตไม่แน่นอนเห็นพระพุทธเจ้าวิยาประมาทถ้าล่นเวลาเข้ามาได้ก็ล่นเวลาเข้ามาับบคุณถ้าล่นไม่ได้ก็ต้องว่าไปตามที่เราวางแผนไว้ได้ครับ ก็เรียกว่าถ้าผมจะมาบวชม า, าปรึกษาพระอาจารย์ได้นะครับคือเรามันไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสที่เาราต้องไปปรึกษากับเจ้าอาวาสได้ครับที่นี่เราก็รับคนที่มาบวชแล้วอยู่ในวัดแล้วเราก็ต้องรอให้มีที่ว่างก่อนครับ ที่ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่นี่มันที่มันเล็กมันรับได้ไม่กี่กรูกเราเต็มที่ตอนนี้ก็สิบแปดลูกเนี่ยตอนนี้อยู่บนเขาได้แค่สิบแปดลูกเต็มเต็มพิกัดนะ้ย่งั้นก็ต้องรอให้มีที่ว่างถึงจะเปิดรับได้ไดผู้ที่จะเข้ามาส่วนใหญ่เลยต้องมารอพักอยู่ข้างล่างก่อนข้างล่างก็เต็มเหมือนกันเดี๋ยวนี้วัดที่นี่รู้สึกจะมีคนมาบวชกันเนยอะก็เลย ไปที่อื่นก็ได้เหมือนกันนะครั บ, รบป่ามีเยอะแยะไปวัดแถวนี้ก็มีวัดอาจารย์ตันก็มีวัดอาจารย์รที่อาจารย์อะไรที่ที่ระยองฮะอาจารย์นันก็อออาจารย์นันก็เป็นวัดหรือถ้าจะไปไกลกว่านั้นก็ไปทางภาคอีสานได้ครับมีวัดเยอะแยะได้ครับดีกว่าสาิเพราะได้ ได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นที่นี่เป็นแบบทองคําุบผสมไม่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นทองค100ํร1อยเปอร์เซ็นครับขอบคุณครับอาจารย์มีมีวัดบ้านกับมีวัดบ่าผสมกันนะ อ, ะอาจจะอาจจะไม่ชอบก็ได้เวลาเรามองจากข้างนอกเราจะไม่เห็นเวลาเรามาอยู่แล้วเราจะเห็นมากกว่านัก็ก็บอกให้รู้ก็แล้วกันว่ามันไม่ใช่มีที่เดียวนะ มีที่มากมายที่นี่เราก็ฟังติดตามฟังทำได้ทุกวันถ่ายทอดทาง y o u t u ู e ทางเ a c e b o o k ล้สามารถติดตามฟังได้มีคำถามก็ส่งเข้ามาได้อย่างที่ตอนนี้เราถามตอบปัญหากันก็ตอบปัญหาจากผู้ที่ติดตามถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านนี้ขอบคุณครับอาจารย์โอเคครับคำถามจาก Facebook ครับคุณสีสุดา มีความสงสัยเรื่องจิตของคนที่เป็นอัลไซเมอร์เมื่อไม่สามารถจําอะไรได้จิตจะมีสภาพเป็นเช่นไรคะก็เหมือนเหมือนเด็กเด็กนะสิคือร่างกายมันไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้แต่จิตก็เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องความบุกรองของทางร่างกายไม่ใช่ความบุกรองทางจิตน เหมือนกับรถน่ะคนขับก็คนเดิมแต่รถมันเสียหรือรถมันมันวิ่งไม่ได้เต็มร้อยเหมือนเมื่อก่อนเคยวิ่งได้ร้0ยี่สิบเดี๋ยวนี้เหยียบปเทไหลมันก็ได้แค่ห้าสิบสี่สิบอย่างเงี้ยแต่คนขับก็คนเดิมอยู่คนขับไม่ได้เป็นอะไรไปกับร่างกายเป็นเรื่องของความบกพร่องของร่างกายไปก็ต้องรอไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก่อนคำถามจากคุณพันทิพย์ ถามให้เพื่อนคะ่ะเมื่อคืนนอนที่วัดถือศีลแปดตอนตีสองเพื่อนชวนไปห้องน้ําแล้วกลับเข้ามานอนทุกคนนอนเรียงกันในศาลาเพื่อนนอนไม่หลับบอกว่าได้ยินเสียงร้องกรี๊ดเย้ยาวดังมากรอบศาลามีทั้งหน้าแล้วหลังรับกันจนตีสามครึ่งทุกคนเริ่มตื่นก็ยังร้องอยู่ เช้าตอนลาศีนกลับบ้านเพื่อนถามทุกคนได้ยินไหมแต่ไม่มีใครได้ยินมีคนแก่ตอบว่าเปรตขอถามค่ะเปรตมีจริงไหมคะวันพระหน้าจะได้บอกเพื่อนไม่ให้กลัวค่ะคือเปรตนะมีจริงแต่เสียงที่เราได้ยินมันเป็นเสียงเปรตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะับงั้นเราอย่าไปตู่าว่าสิ่งที่เราได้ยินเป็นนั่นเป็นนี่ พระ พ, พุทธเจ้าบอกให้รู้ตามความเป็นจริงมันเป็นเสียงก็ว่าแค่เป็นเสียงก็พอถ้าเราไม่มีญาณอย่างทราบเหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรก็อย่าพึ่งไปว่ามันเป็นอะไรให้รู้ว่ามันเป็นเสียงก็พอรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วก็ดับมันเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปสนใจอย่าไปอยากอย่าไปกลัวอย่าไปรักอย่าไปชัง ให้รู้เฉยๆมันก็จบคําถามจากคุณวีรพงศ์ท่านพระอาจารย์ครับเวลาที่นั่งสมาธิไปได้สักพักเกิดแสงสว่างขึ้นที่หน้าผากบางทีก็สว่างมากบางทีก็สว่างน้อยเวลาเพ่งดูแล้วปวดหัวบางทีก็เป็นนิมิตคืออะไรครับแล้วต้องทําอย่างไรครับคือเราเพลิดสติไง เวลานั่งสมาธิเราควรจะมีสติอยู่กับเรื่องเดียวถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าพุทโธก็พุทโธไปมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจปล่อยมันไปเดี๋ยวมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเองมันจะไม่มีปัญหาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันถ้าเราอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเดี๋ยวมันก็หายไปแต่ถ้าเราไปยุ่งกับมันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาได้มันเป็น ผลพลอยได้ที่เกิดจากการนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิจิตมันจะบางทีมันก็จะผลิตอะไรแปลกๆให้โผล่ขึ้นมาให้เรารับรู้อย่าไปสนใจพยายามหยุดมันหยุดหยุดจิตให้ได้ถ้าหยุดจิตแล้วเดี๋ยวของต่างๆที่จิตมันผลิตขึ้นมามันก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความว่างคาถามจากคุณเอสเจครับถ้าเรายังไม่สามารถ ควบคุมความคิดโดยการมีสติต่อเนื่องหรือมีสมาธิระดับอัปปนาได้ทุกครั้งถ้าเรากาลังจะตายและเวทนามีมากสติคุมเวทนาไม่อยู่และเราไม่รู้สึกตัวการไปสุขคติหรือทุกขคตินั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยใดคะก็อยู่ที่เราคุมจิตได้ไม่ได้นั่นเองถ้าคุมไม่ได้ บุญกรรมบุญก บ, บา่ามันก็จะเป็นตัวมาคุมไปถ้าเรามีสติดีกว่ากำลังมากกว่าบุญก บ, บา่าสติก็จะคุมให้มันสงบไปนิพพานก็ได้ยั้นก็อยู่ที่มีสติมีปัญญาที่สามารถควบคุมใจได้มากกว่ากาลังของบุญหรือ บ, บาปที่เราทำไว้หรือเปล่าคำถามจากคุณอู๋กราบเรียนถามพระอาจารย์ ถ้าศึกษาศา ส, สนาพุทธที่ประเทศทิเบตหรือเนปาลหรือจีนจะบรรลุได้เหมือนกันไหมคะคือศึกษาอย่างเดียวบรรลุไม่ได้หรอกไม่ว่าจะศึกษาที่ไหนศึกษานี้เป็นเพียงขั้นขั้นที่หนึ่งต้องนำไปสู่ขั้นที่สองคือการปฏิบัติก่อนเมื่อปฏิบัติแล้วถึงจะบรรลุได้แล้วก็การศึกษานี้ก็ต้องศึกษาถูกหรือผิดอีก ศึกษาคำสอนที่ผิดมันก็ปฏิบัติผิดมันก็บรรลุไม่ได้ดังนั้นการศึกษาก็ต้องศึกษาจากคําสอนที่ถูกซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในที่เบตในต่างประเทศนั้นเขาถูกหรือไม่อย่างไรเขาได้รับการสังคายนาการกันกองการรับรองมาหรือไม่อย่างไรแต่ของทางเทรวาสนี้เรามีผู้รับประกันมีผู้รับรองมาทุกยุคทุกสมัยว่าเป็นคำภีร์ที่ถูกต้องที่ศึกษาได้ พอผู้ที่ศึกษานํามาไปปฏิบัติมันรู้เป็นผ้าหลานกันมีกันมาอย่างต่อเนื่องะงั้นเราก็ไม่กล้าพูดเกี่ยวกับคัมภีร์ของศาสนาของศาสนาพูดด้วยกันนะแต่มันเดี๋ยวนี้มันแปลเป็นหลายภาษาด้วยกันเวลาแปลไปลอาจจะผิดบ้างถูกบ้างอาจจะถูกตัดออกบ้างอาจจะถูกเติมเข้ามาบ้างอันนี้ไม่มีใครรู้งั้นไม่กล้ารับรอง แลนะรับรองได้ว่าพระไตรปิฎกของไทยเราเนี่ยที่เราศึกษากันเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ท่านนํามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราเนี่ยเป็นคําสอนที่เป็นสวากขาโตพระกัตาธรรมโมนะเป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วยั้นเรามีของดีอยู่ที่บ้านเราทําไมไม่อ่านของเรานะต้องไปอ่านของที่อื่นเขาแต่จะไปก็ไม่ห้ามแต่พนกะ็อยากจะบอกให้รู้ว่าของเราเนะ่ะดีอยู่แล้วนะ แต่ถ้ายังไม่มั่นใจอยากจะไปเอาของทิเบตอยากจะไปได้ของดาลายลามะก็ไปไม่ว่าอรกันคำถามจากคุณพาวินกราบเรียนพระอาจารย์ครับกระผมปฏิบัติทรมาได้ประมาณสองปีกว่ารู้ว่าความอยากมีบ้านในฝันรถในฝันรายได้เดือนละหลายๆแสนสุขภาพที่ดีเลิศที่เคยอยากมาหลายปี ปัจจุบันนี้กิเลสเหล่านี้ลดลงมากเหลือเพียงแค่สิ่งที่จำเป็นต้องมีในการเลี้ยงอัตภาพให้ดำรงอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมและละกิเลสต่อไปทำให้รู้สึกอยากออกบวชโดยทิ้งงานยศเงินที่จะได้หลังเกษียณทิ้งภรรยาลูกเพราะรู้สึกว่ามันวุ่นวายคับแคบต่อการหลุดพ้นทาให้บุพการีไม่เห็นด้วย และบอกว่าถ้าปฏิบัติทำแล้วเป็นอย่างนี้จะห้ามปฏิบัติเพราะถ้าปฏิบัติจริงก็ยังสามารถทำงานราชการได้มีภรรยาและลูกได้ขอกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์ว่าพ่อกับแม่จะบาปไหมที่ห้ามไปบวชโดยทิ้งงานยศภรรยาลูกไว้ข้างหลังแบบนี้และกระผมควรทำอย่างไรครับ พ่อแม่เขาคิดไปตามภาษาของเขาตามความเห็นของเขาก็เหมือนพ่อของพระพุทธเจ้าท่านก็คิดไปตามความเห็นของของท่านท่านก็ไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวชฮะก็เลยสร้างวังสร้างปราษาทสามฤ ด, ดูหาของดีๆของสวยๆองงามมาห้อมล้อมให้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่อยากให้ไปไปบวช กาอยากจะให้อยู่เป็นมหาจากักระพัดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของคนทางโลกเขาก็จะคิดอย่างนี้แต่คนที่จะไปบวชนี้ต้องเป็นคนที่มีปัญญามากพอถึงไปได้ถึงจะฟันฝ่ากำแพงเหล่านี้ไปได้พระพุทธเจ้าท่านมีปัญญามากของเหล่านี้เลยไม่สามารถมาหลอกมามาห้ามท่านได้ ัคุณก็ต้องไปคิดเอาเองก็แล้วกันบาปไม่บาปหรอกเพราะเขาไม่ได้มาฆ่าเราเขาไม่ได้ทำผิดศีลแต่เขายังหลงอยู่ก็ยังมีกิเลสอยู่ก็ยังเห็นว่าการเจริญทางลาภยุทธสารเสสนี้เป็นสุดยอดของชีวิตเขาไม่เห็นว่าการเจริญในมรรคผลนิพพานนี้เป็นความเจริญที่แท้จริงอันนี้เราเป็นคนเห็นเราเราก็อย่าไปสนใจกับคนไม่เห็นสิ คนตาบอดกับคนตาดีคนตาบอดไปทางนี้บอดไปทางนี้ดีคนตาดีมองเห็นมันไม่ดีเห่าคนตาดีไปทางนี้ดีกว่าแล้วไปเชื่อคนตาบอดทาไม คนตาดีก็ต้องเชื่อคนตาดีถ้าเราเห็นว่าการไปสู่มรรคผลนิพพานมันดีกว่าการไปสู่ราบยศสารเสรินสุขแล้วเราจะยังไปฝืนไปทางนั้นทําไมถ้าไปก็แสดงว่าตาเราก็ไม่ดีถึงแม้จะดีก็เหมือนไม่ดีเพราะทนอำนาจทนกระแสของคนตาบอดดึงไปไม่ได้นั่นเองคำถามจากคุณอ้อยในเรื่องทำอาหารใส่บาตรในวันพระ หากไม่สะดวกไปทำที่วัดแต่ทำอาหารหรือซื้อของให้คนในครอบครัวไปแทนบุญจะเกิดขึ้นไหมคะและบุญจะต่างกันไหมคะไม่ต่างแล้วบุญจะต่างไม่ต่างอยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราคืนเงินของเรา เสียสละร้อยบาทด้วยการทํากับข้าวเองหรือเสียสละร้อยบาทด้วยการซื้อกับข้าวไปใส่บา่ายก็เหมือนกันเอให้คนอื่นไปใส่แทนเราก็เหมือนกันเอได้บุญร้อยบาทเท่ากันเออจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราไปใส่เองเราก็ได้ความเพียรได้ความขยันที่เราจะเดินไปเดินทางไปวัดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่มีเวลาไม่มีก็ให้คนอื่นไปทําให้เราคนอื่นที่เขาไปเขาก็จะได้บุญส่วนนี้ไป คือบุญเอาเอาเอาอาหารไปใส่แต่เขาไม่ได้บุญจากการเสียสละเงินเชื้ออาหาร <c oughs> ใกล้ดูตรงนี้ก็และกันดูดูดูจำนวนของการเสียสละเข้าของเงินทองของเราอันนั้นแหละเป็นตัววัดบุญที่แท้จริงมีอีกไหม ค, คำถามนครับสุดท้ายนะครับคำถามจากคาถามจากคุณออส <c oughs> ท่านอาจารย์ครับเวลาบริกรรมพุทโธสักพัก ร่างกายมันสั่นไปมาเป็นอะไรหรือเปล่าครับมันไม่น่าจะสั่นนะถ้าสั่นก็แสดงว่าพุทโธแบบไม่มีสตินะล้วพุทโธแบบมีสติมันไม่ควรสั่นเหมือนเรานั่งคุยกันตอนนี้ทำไมมันสั่นนะพอไปนั่งพุทโธพุทโธคนเดียวไปสั่นเราเราอาจจะไปอินกับมันหรือเปล่าไปเหมือนกับฟังเพลงแล้วก็สั่นไปกับมันหรือเปล่าพอพอพุทโธหน่อยก็เริ่มสั่นไปกับมันหรือเปล่าไม่ควรจะสั่นนะ